จะได้ไดแสดงพระธรรมเทศนาพรรลาษฎาธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมามาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้ร้อมใจกันมา บำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศถวายพระบุรพาจารย์บรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนยึงได้ค่อว่าพระบุรพาาจารย์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 ไปประดิษฐ า, านณพระธรรมยุศลงที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเส้นบุญบา ร, รมีของท่านอริยะกะวีิอ่อนก็ตกพอดมาถึงท่านพันธุระซึ่งเป็นสหธรร ม, มิกของท่าน อากจากนั้นก็มาถึงยกของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบารีทุนโนปมาจารย์ิจันโตจันเจ้าพระคุณอุบาเลทูนโนปมาจารย์ัท่านบริหารกิจการรัฐศาสนาทั้งฝ่ายปริยัตและทั้งฝ่ายปฏิบัต อาสากฎหมายเาว่าคัน ธ, ธุระและวิปัสนาธุระทัน ธ, ธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งสบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นม า, าเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนรักธรรมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติทุดงกรรมฐานพระคุณเก้าพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่าง าจะพูดถึงจำนวนบวหารของพระของท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านเป็นผู้ชำนิชำนานรอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วเป็นแล้วยังเป็นนักกวีแต่งกรอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังรากถึงอาตมายังได้จำคำสอน ซึ่งเป็นคำกรอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาหยิสานท่านบอกว่ากรรมฐ า, านโจกแก้วแถวท้ำบ่อเตียงตอกรรมฐ า, านพ่อบ่อมาาขี่ไหหมูเหม็นเข้าก็ะเริ่มันแล้วกรรมฐ า, านหมูเทือนได้อาหารอินทองนอนมุงนางทำอันนี้จำติดตาติดใจบเริมจะเกอน เราเอกอันหนึ่งท่านว่าอัศจรรย์ปลาไหลรหลาดนาอานาฏหนีนายบ้างสมู้เป็นสมสืบลงบอ่อหมวออ้าวมาถึงยกู้เป็นสมสืบลงบอ่อมม่วแล้วแล้วกรมังอาจจะมาไปเยี่ยมใครลวงปูฟันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพ เพียงสามวันเท่านั้นเองท่านกาลังนอนคุมปองอยู่พอไปกราบท่านแล้วก็บอกมือห้ามพระไม่ให้ลกปวนท่านท่านก็บอกว่าเอาลกเอาลกเอาลกถึงสามครั้งพระขัดไม่ได้ก็พระยุงท่านลุกขึ้นมา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 นางฟ้านางเทวดาไม่มีใครแย่งอ ย, อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันอัปลีจันไรเียงจะเป็นสมพาน์มายังมีผู้อยากมาแย่งเป็นใหญ่ให้ลองจิดดูสิอยาโจบทั้งไหนเพราะฉะนั้นได้โพรดมาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบารีุณโนประมาจารย์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 ขนาดขึ้นนั่งบนธรรมะพอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเถยเอาสิจกนกระทั่งเทศจบแล้วไม่ยอมลงธรร ม, มเอา้าวประเด็จพระคนทำไมไม่ลงธรรมะสักทีมันจะลงได้อย่างไรล่ะขาหักแล้วดูสิถ้าเป็นอย่างเราจะว่ายังไงขาหักทั้งขานี่ไม่ร้องโอ้ยโอ้ยเลย นี่แสดงว่าคุณสมบัติความเข้นแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณบาลีคุณโอปะม า, าจารย์เนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านผู้นี้แหละท่านมีโลกเด็ดสององค์องหนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศิตสัมมาหเถระ ตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จสมมหาวีระวงติสมมหาเถระเป็นผู้ทมธุระในฝ่ายคันขาธุระแล้วหลวงเตดเอกองหนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตศีโลหลวงปู่เสากันตศีโลนี่ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียว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 เทาลกก็อกก้อนในบาดเจืจนกระทั่งมรณภาคตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงกรรมฐานในสายภาคอีสานโยมาภายหลัง่อมาได้ลูกติดคือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงหันตยาขโมย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 อาจารย์ดุลอตโลกับพระอาจารย์สิงขันตยาขโมีิเวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี่โรงเรียนชั้นปฐมอยู่ในวัดพอตกฟ้านพ่่มก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกรรมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถภ า, าวนา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 จำได้ว่าเคยไปกราบพระอาจารย์มั่นในงานศพอาจารย์สนที่วัดบ้านหนองดิดํำตอนนั้นอาจจะมาอายุเพียงแปดขวบแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีพศเท่าไหร่คงจะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองอยู่ในระยะนี้ได้ได้เมื่อได้ลงปูดดนและพระอาจารย์สิงมาเป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์ถิ่งในท่าเจเปรียบเทียบ ก, ก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาธิการทหารบกทหารอากาศทหารเรือเป็นกำลังในการเผยแพร่พระธรรมวินัยในสายพระทุดงกรมรมฐานเริ่มจุดตั้งแต่จังบัดตะกลนครนคักนทน น, นนมอุบลราชธานี จังหวัดเลยจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่จนกระทั่งมีโลกเสร็จโลกหาตั้งวัดตั้งวากันมากมายตายกองเมื่อก่อนวัดคณะธรรมยศในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึงร้อยวัดแต่เวลานี้เรามีวัดคณะธรรมยศมากมายเพราะก็เนื่องจากผลงานของพระเถระทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อสมัย ที่เป็นสัมมเลนเด็กๆไปทุ้ดงเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผมผ้าจีวรดำๆไปที่ไหนเพื่อนเขาถุยน้ำลายอาจารย์บางองค์ท่านไปตู้ดงท่านชอบออกแต้เขาไม่ทีเดินตามหลังไปด้วยเดินไปห่างๆที่ในชาวไร่ชาวนาก็ไม่เคยเห็นพระแบบปฎิภายบาท แล้วเขา้าราชกาถามเจ้าคู่เออจะพาลูกพาเมียไปสร้างบ้านสร้างเบื้องที่ไหนน้อเขาว่าอย่างนี้เลยผ้าจีวรดำๆอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนนี่เดินไปที่ไหนเขาถุยน้ําลายแต่มาปัจจุบันนี่ผ้าจีวรดำนี่กลับมีราคาเสดายที่จะมาไม่ได้เอาจีวรผืนที่เคยห่มแล้วโดนเขาด่าแล้วเขาถุยน้ํำลายลาด เก็บไปเป็นอนุสรเอาละเอากันเพียงแค่นี้ปูดหมากไปเดี๋ยวมันจะออกนอกลู่นอกทางก็เป็นอันว่าเราจะรับอันดับของพระทุดงกรรมฐานซึ่งเป็นผู Alors, ้นำในการเดินท um ุดงในป่าในเขาเนี่ยอันดับหนึ่งหลวงปู่มั่น อันดับหนึ่งหลวงปูเ่เสาอันดับสองหลวงปู่มั่นอันดับสามหลวงปู่สิงอันดับสี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่บั่นหลวงปู่มั่ น, ปนเป็นเด็กครูบาอาจารย์ท่านว่ารุ่นของพวกอาตมานี่เป็นอันดับห้าแล้วก็ยังเป็นห่วงที่ตกอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักว่าต่อไปนี้กรรมฐานทั้งหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะห อันนี้ขอฝากให้เพื่อนสหธรรมเนียบร่ายมทั้งหลายเอาไว้พิจาระดาเอาละ ว, วันนี้เรามาทําบุญบูธถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์ได้ทราบแล้วว่าบุรพาจารย์ของเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการลําลึกถึง พระ บ, บุรพาจารย์ของเราอาสมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิการสอนสมาธิภาวนา ตามแบบฉบับของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มัน่นท่านให้เริ่มต้นด้วยการภาวนาโพธิ์เคยได้ยินหลวงปูเ่เสาเมื่อมีคนมาถามหลวงปูเ่เสานั่นเขาเรียกว่าญาตทานัน ยาท่านนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เขาเขารบนับถือเวลาผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาจะไปถามว่ายาท่านอยากจะภาวนาทำอย่างไรโพธิโทซีภาวนาโพธท์โทแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นอย่าถาม โพทิอแปลว่าอะไรถามไปทำไมฉันให้ภาวนาพโพธิ์แค่นี้เป็นอันจบ ก, กันเทศหลวงปูเ่เสาทีนี้เมื่อเราหัดภาวนาเป็นหน่อยปัญหามันก็เกิดขึ้น ว่าทำไมหลวงปู่เสาจึงสอนให้ภาวนาพพธุก็มาได้ความว่าพโพธท์แปลว่าผู้รู้พโพธท์แปลว่าผู้รู้ผู้รู้นี่เป็นภาษาภาคกลาง แต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าโคโฮโคโฮนี่คือพ่ไม่ดื้อผู้เป็นอุบาศกอุบาศิกาก็ยึดมั่นในคุณพระรันตนใจคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสธารณะอย่างเดียวแน่นแล้วก็สำรวมละบาปตารรมตามกฎของศีลห้า ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่ม เ, ม, ขมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนกายวาจาสง บ, บท่านเรียกว่าผู้หูคือผู้ไม่ยืดอีนี้ภาษาภาคกลางเขาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้สึกสานึกผิดชอบชั่วดี เมื่อมีความรู้สึกสำเึกจพิด ช, ชอบทุ่ดีก็กลายเป็นผู้ไม่ดื้อนั่นเองาะฉงนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ไม่ดือ้อนี่เราจะทำอย่างไรขอให้พิจารณาหลัก5ปาพระการคือสีน5้ที่ได้สมทานมาแล้วนั่นแหละคือกฎเกณฑ์ที่ฝึอกอบรมจิตใจของเราไม่ให้เป็นผู้ดือ้อ ที่นี้เมื่อกายก็ไม่ฆ่าไม่รับไม่ดื่มน้มดองของเมาวาจาก็ไม่โกหกไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ่อเจ้อเลวไหลไม่พูดเยอะยัอา ย, ย, ยุยงส่งเสริมให้ใครต่อใครก็แตกสามเมืีกันในเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็เป็นผู้รู้ คือเป็นผู้ผูถนั่นเองเราจันั้นเหตุผลที่พระอาจารย์เสาให้ภาวนาพูดโถก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ที่นี้ผู้โถปแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ เกิดอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาสติวินโยสติเป็นผู้นําผู้ที่มีสติเป็นผู้นํายอมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 เขาจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่นอยู่เสมอว่าฉันจะละฟานชั่วสะพึดความดีทาใจให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่พระอาจารย์เสาสอนให้ภาวนาพุทโธทีนี้ในเมื่อเรามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติเป็นผู้นำ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 ถ้าจะถามว่าภาวนาพุโทโธดีไหม ย, ยบหนอะพอหนอดีไหมสัมมาระหังดีไหมพระองค์นี่ขอตอบว่าดีหมดดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การสงสัยท่องใจการลังเลการติดตัดสินใจไม่แน่และการทําไม่ถึงพอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปว่ามันจะได้ไหมเนอสําเร็จไหมเนา อาจารย์องค์นั่นยังว่าพุิโทนี่ได้แต่สมถะมไม่ถึงวิปัสนาเด้แล้วภาวนาพธโทไปนี่มันจะไม่เสียเวลาหรืออ้าวถ้ามาสงสัยอย่างเนี่ยจางอีกต่อให้อายุเยินแปด0มืนปีมาภาวนาด้วยความขล่องใจสงสัยท่านจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลย อาจจะมาขอบอกว่าภาวนาโพธโทก็ดีสัมมาระหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีขอให้เอาจริงซะอย่าง้าไม่เอาจริงแล้วทำด้วยความค้่องใจสงสัยลวนเรอยู่อย่างนี้ต่อให้มีอายุเยืนตั้งแปดหมืนปีภาวนาไปเถอะไม่มีทางได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนว่าใครจะท่องคำไหนเป็นคำภาวนาเอาให้มันแน่วแน่ไม่เฉพาะต่ยบหนอพองนนอสัมมาอรหังพโพธทดอกที่น้องเหยืนาดณะทำภาวนาเยซูเยซูเยซูเยซูก็ยังสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้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 พอจ ะ, ะนั่นพี่น้องทั้งหลายเอ่ยเรื่องหลักและวิธีการภาวนานี่เลิกเลิกเถียงกันเสเถ่สมเด็จตสัมมาสัมโพธเจ้าตอนที่พระองค์สะแบงหาโมกประทันสะแบงหาทางตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธทเจ้ า, กก า, มม า, าอยู่นั่นก่อนหน้านั่นคําว่าพโพธโกก็ไม่มีสัมมาละหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มี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 เพราะว่าพระองค์ไปภาวนาท่องมนในสำนักฤาษีมามอดทุกสำนักแล้วในประเทศอินเดียไปที่ไหนก็ให้ท่องแใ่มนไปที่ไหนก็ให้ท่องแใ่มนพอไปนั่งภาวนาเข้าอมภัศวะอ ม, นนอมพระนรินทร์มพระนิรตพระพรหมพระอะไรต่อพี่อะไรแล้วทีนี่ไปภาวนาแบบท่องมนนั่นจิตของพระองค์ก็สงบได้สมาธิได้สมาบัติ แต่มันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ทีนี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่องมาหมดแล้วพอที่จารณาเห็นว่าลทัทธิการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่จะให้ตรัสรู้